ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังธรรมะเรื่องห้าพลังเพียรโดยสมณทราบเซิงสิริเตโชได้แสดงทำไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2542ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัดนี้คะ่ะ วันนี้เราลองมาศึกษาดูพระไตรปิฎกเล่มที่11 <c oughs> ข้อที่293 <c oughs> จะเกี่ยวกับในในนี้นะเขาเป็นหัวข้อว่าองค์เป็นที่ตั้งแห่งความเพียรห้าอย่างหรือพูดง่ายว่า <c oughs> องค์องค์นี้ก็คือองค์ประกอบนั่นเองนะว่า จะมีองค์ประกอบอยู่5้าอย่างเนี้ที่จะทำให้ให้ความเพียรของเราเนี่ยบรรลุผลหรือว่าบรรลุเป้าได้นะข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระธ ถ, ถาคตว่าแม้เพราะอย่างนี้อย่างนี้ พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ชอบเองถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วทรงรู้แจ้งโลกเป็นสารทีฝึกบุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกพระธรรมเอาง่ายๆนะข้อที่หนึ่งนี่ เท่ากับว่าพุทธเจ้าท่านบอกว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาศรัทธานี่ก็คืออย่างที่พ่อท่านแบ่งเป็นสมอย่างศรัทธามีอะไรบ้างศรัทธาศรัทธานี่นี่พูดที่พ่อท่านส่วนมากจะพูดกับพวกเราบ่อยๆ อ, อ่ะสามอย่างก็คือใช่ศรัทธาก็คือความเชื่อนั่นแหละ เออเช่อถือเชื่อฟังแล้วก็เชื่อมั่นแล้วเราสังเกตดูนะหลายพระสูตรเลยที่บางทีเราศึกษามาอินทรีย์ห้าพระห้าอะไรกอีกเยอะอีกหลายๆพระสูตรนะขึ้นต้นด้วยศรัทธาเป็นตัวที่หนึ่งเลยจะเป็นตัวนำล่องก่อนแม้พระสูตรนี้ก็เหมือนกันที่จะพูดถึงความเพียรว่าคนเราเนี่ยจะมีความพยันมันเพียงจะมีความ มานะอุตสาหะบากบันต่างๆคนนั้นจะต้องมีศรัทธานะศรัทธาตัวนี้ไม่ได้หมายความแค่ว่าเอ้คนนี้เป็นสายศรัทธานะไม่ไม่ได้หมายความแค่อย่างนั้นแต่หมายถึงเนี่ยความเชื่อมั่นในสิ่งสิ่งนั้นเพราะคนเราเนี่ยถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจในสิ่งที่เราจะมีเราจะเป็นหรือว่าเราจะไปสู่จุดน้นๆแล้วมันมันจะ สับสนในที่สุดหรือว่ามันจะวุ่นวายในที่สุดแล้วก็เวลาปฏิบตัติหรือว่าพอทําไปได้หน่อยเกิดอุปสรรคเกิดปัญหาขึ้นมาจะถอยละแล้วทําอะไรก็ตามยิ่งมาถือสีมาปฏิบัติทำสู้กับกิเลสเราเนี่ยโอ้ยอย่าบอกใครเลยว่ามันสู้ยากเพราะมันต้องฝืนใจมันต้องบังคับใจตัวเองจะเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องรับเรื่องนอนแะอย่ต่างๆ มันต้องฝืนใจตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะถ้าใครเนี่ยไม่มีศรัทธาที่ความเชื่อมั่นที่มากพอแรงพอชัดเจนพอคนนั้นน่ะพอเจออุปสรรคเข้าเจอกรารอะไรโดนติโดนว่านะหรือว่าโดนขัดขวางเอาละเริ่มทอ้อหรือว่าเริ่มเบื่อนายเริ่มเซ็งแล้วในที่สุดก็จะลมทิ้งไป ก็จะไม่ไม่ทําเพราะฉะนนั้อันเนี้มันจะให้เห็นเลยศรัทธาแต่ในที่นี้นะพูดว่าศรัทธ า, า, า, า, า, นาทนนใานพ ร, าดดรารพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วเราเองเราจะไปรู้จักพระพุทธเจ้าเนี่ยยากยิ่งทุกวันนี้ต่อให้อ่านพระไตรปิฎกด้วยเราจะรู้จักพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยจะสักแค่ไหนเพราะว่าโอ้โหสองพันกว่าปีแล้วอ่ะเราจะรู้ได้จริงๆยังไงว่าพระพุทธเจ้า มีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีจริตทิสัยอย่างนี้ชอบทาอย่างนี้อย่างนี้เราจะรู้ชัดได้ถึงขนาดนั้นนอะขนาดไม่ต้องอื่นไกลนะไม่ไม่ใช่แบบมาอ่านตัวหนังสือแบบนี้ขนาดเราดูหนังอะซึ่งบางทีมีรูปให้เราเห็นเลยใช่มมีการเคลื่อนไหวมีอากัปกิริยากินอยู่รับนอนเดินเหินทำงานอะไรให้เราเห็นหมดเลยเป็นหนังเนี่ยขนาดอย่างนั้นะ่ะ ให้เห็นให้เห็นภาพอย่างนั้นเลยจะซ้ำไปเราไปดูชีวประวัติบุคคลสาคัญหรือใครก็ได้ ท, ที่ที่เขามีถ่ายจากของจริงมาให้เราดูบางทีเราดูแล้วเนี่ยเราจะรู้จักคนนั้นจริงสักเท่าไหร่กันเพราะว่าหนังก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยมันได้มาแค่เท่าไหร่โอ้โหไอ้คำว่าส่วนหนึ่งเนี่ยนะมันสมมติว่าเผู้ย่เจ้าเนี่ยปสิบพันษาว่าจะปาิีิผ่านใช่ไม แปปีแต่เรามาอ่านหนังสื อ, อสมมติว่าเขาทําเป็นพระไตรปิฎกเล่มเก่าะนะแปดสิบเล่มชีวิตคนเราเหลือแค่แปดสิบเล่มหนังสือนี่เหลือโอ้โหจริงๆแล้วมันเล่าไม่หมดเลยใช่ไหมถ้าถ้าถ้ า, ถาเราจะเขียนชีวิตจริงๆของคนเนี่ยตั้งแต่ตื่นเช้าตั้งแต่อะไรอ่ะถึงนอนถึงกลางคื น, นไปทําอะไรบ้างโอ้โหกุจะ ถ้าพิมพ์เป็นหนังสือหนังสือกูจะยืดยาวกี่ร้อยกี่พันเล่มอะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราอ่านจริงๆเนี่ยเรารู้แค่กัะพิโอ้โหเศษเหมือนกับอะไรอะเม็ดทรายในท้องทะเลทรายเท่านั้นน่ยในความเป็นจริงแล้วเราจะรู้จักผู้เจ้าได้ดีแค่ไหนกันใช่ไหมถ้าเราลองเราลองนึกตามความเป็นจริงเราจะรู้จักได้ดียังไงอ่ะ เัระในที่นี้นะถ้าเราเข้าใจเนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องรู้จักพู้เจ้าว่าท่านชอบฉันอะไรนะท่านชอบนอนยังไงเออท่านชอบ อ, อ่ใส่จีวรแบบไหนเออหรือว่าท่านชอบพูดคำพูดยังไงอะไรเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่หมายความถึงเรามีความศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นในคนคนหนึ่ง นะที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้นะสามารถที่จะถือศีลสามารถปฏิบัติธรรมสามารถที่จะบรรลุธรรมนะสามารถที่จะตรัสรู้อริยสัจสี่ขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาเนื้อหามาเอาตัวเนื้อเนื้อมาไม่ได้หมายความแค่ไปเป็นรูปร่างหน้าตาตัวตนเพราะว่าเรายิ่งไม่รู้เลยที่เราเห็นพระพุทธรูปเราเห็นรูปวาดต่างๆ เดากันทั้งนั้นนะของจริงที่ไหนเล่าใช่ไหมล่ะยิ่งเราอ่านเจออะไรนะมหาปุริศลักษณะของพระพุทธเจ้ารับรองเลยถ้าว่าตามมหาปุริศลักษณะสามสิบสองประการใช่ไหมถ้าว่าอย่างนั้นจริงๆรอ่ะวาดออกมาตามนั้นเลยนะตามที่เขาบอกว่าเอากรอบหน้าหน้าเนี่ยมีกรอบหน้าเป็นเหมือนกับเหลี่ยม คางเหมือนราชสีใช่ไหมมีอะไรอีกอะส้นเท้านี่ข้างหลัง <c oughs> จะยื่นยาวอะไรโอ้แข้งเหมือนอะไรนะเหมือนกัะ น, นื้อทรายหรืออะไรต่ออะไรตาเมันก็นตาโคงไงโอ้โหกูลองไปเขียนออกมาสิแล้วไปถามใครว่ากูรู้ไหม น, นี่ใครร <c oughs> ับรองเลยว่าก็ดูแลไอ้คนหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเกิดเขียนตามที่ที่เราไปศึกษาไปอ่านจากตำรับตำรานะ โอ้เกียออกมาไม่มีใครเชื่อหรอกว่าเป็นพระพุทธเจ้าวันถึงบอกว่าความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปไปเชื่อที่ที่จะมีรูปทรงรูปร่างหรือว่าอะไรอย่างนั้นหรอกพูะุทธเจ้าถึงได้ตัดตอนปรินิพพานว่าว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่ต้องเอาบุคคลไม่ต้องเอาตัวตนใครมาทดแทนพระพุทธเจ้าแต่ใหเอาพระธรรมนั่นไอ้ใหเอาเนื้อหาเนี่ยใหเอาแก่นสาระอันนั้นแหละ วันคำว่าศรัท ธ, ธาในที่นี้ไอ้มาโดยเฉพาะตอนลงท้ายที่เราจะเห็นว่าเป็นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จําแนกพระธรรมนะซึ่งประเด็นเนี้ยเราจะให้เห็นถึงตรงประเด็นสําคัญที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านไม่ได้ว่าจะต้องมาศรัท ธ, ธาที่ตัวท่านแต่ศรัท ธ, ธาเนื้อหาสาระที่ท่านมีที่ท่านเป็นที่ท่านเอามาบอกเอามาสอนรานบางทีเนี่ยคำว่าพุทธะ เนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะโดยเนื้อหาอันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้ได้เราเริ่มจะรู้แล้วว่าอ๋อเพรา ะ, ะองค์ประกอบแรกที่เราจะต้องมีศรัทธาแล้วทำให้เราเกิดความเพียรเนี่ยเพรา ะ, ะนั้นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันก็คืออะไรคือการที่เราพยายามทําให้ตัวเราเนี่ยเข้าหาพุทธ ะ, ะเป็นผู้รู้รู้อะไร รู้อัตทะรู้สาระรู้ธรรมะเนี่ยแหละเป็นผู้รู้โดยเฉพาะรู้อะไรรู้รู้สัจธรรมพระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยตรัสรู้อริยสัจสีนะเพราะฉะนั้นเราเองอะไรที่เราจะต้องรู้ที่สําคัญที่สุดตัวที่หนึ่งรู้อะไรอริยสัจสี่อ่ะรู้ทุกยัด อย่าบอกว่าทุกเฉยๆเพราะทุกเฉยๆเนี่ยมันอะไรอะไรก็ทุกได้ทังงั้นถ้าเราจะตอบให้มันถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าทุกอริยสัจจะต้องตอบอย่างนั้นไม่ใช่แบบทุกธรรมดาทั่วๆไปนะปวดฟันกระทุกอะไรอะปวดหัวกระทุกโดนหินเคลื่องหัวแตกกระทุกเดินไปเท้าพองกระทุก อะไรอย่างเงี้ยไอ้ยิมก็ทุกธรรมดาทุกทุทั่วไปเพราะถ้าเป็นทุกอริยสัจหมายถึงทุกที่เรารู้ว่าอย่างเงี้ยเป็นกิเลสทุกเพราะกิเลสมีอย่างนี้แล้วเลยทําให้เราทุกนะไม่ใช่ไม่ใช่ทุกแค่ธรรมดาทุกแค่ธรรมดาคนอื่นเขาก็รูแ้แหละไม่ไม่ต้องพระพุทธเจ้าตารัสรู้หรอกเออหิวโอ้หิวทุก โทษชาวบ้านชาวช่องก็รู้อยู่รู้ทุกข์กันสิไม่ต้องไม่ต้องให้พระเจ้าตัดสรัรู้วันที่พระเจ้าท่านตัดสรู้เนี่ยรู้ทุกอริยสัจคือรู้ทุกที่บันเกิดจากกิเลสของเราที่ทําให้เราเนี่ยทุกข์ร้อนนะเจ็บปวดทรมานอยู่ทุกวันนี้อย่างเช่นเอายกตัวอย่างนะที่ดูแล้วมันเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันหรอกอย่างเช่นเราหิวข้าวอย่างเงี้ย จริงโดยคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องทุกข์ใช่ไหมไม่มีข้าวกินเนี่ยอคนธรรมดาทั่วไปก็ต้องทุกข์แม้แต่ให้เป็นพระอาหารหรือเป็นผู้เจ้าความหิวอะ่ะสมมติว่าไม่ได้ฉันอะไรเงี้ยไม่มีอาหารตกถึงท้องอ้าวกระเพาะมันก็อาจจะมีน้ําย่อยออกมามันก็อาจจะบีบรัดกระเพาะกัดกระเพาะทําให้บางทีอาจจะอะไรหิวอาจจะเจ็บปวดหรือว่าอาจจะอะไรก็ได้ อ่าเป็นลมขึ้นมาลมอะไรลมหิว <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนะพอมันเกิดขึ้นมาแม้ผู้เจ้าก็เป็นได้อย่างนั้นผู้เจ้าเองก็เป็นอย่างนั้นแต่เกิดอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ได้ทุก <c oughs> เหมือนที่เล่าให้ฟังบ่อย ที่ท่านบอกว่าท่านไปบินตบาดเสร็จแล้วไม่ได้อะไรฉันเลยแล้วมานก็มาบอกว่าเอา้าไปบินตบาดใหม่สิเยาจะได้ฉันท่านกลับบอกว่าแม้เราไม่ได้ฉันอาหารหยับหยาพวกนี้แต่เรามีปิติเป็นพักษาอาหารคือแทนที่จะทุกข์เห็นไหมตัวข้ามเลยกับไม่ทุกข์อะกลับมีปิติมีความยินดีมีความพอใจที่แบบแม้เราไม่ได้กินอะไรแต่เราก็มีความสุขได้มีความอะไรอ่ะเบิกบานได้ แม้แม่หิวเนี่ยจริงๆเนี่ยท้องอาจจะร้องจอกๆเลยก็ได้แต่ท่านไม่ทุกเพราะไม่ทุกอันนี้ไม่ได้หมายถึงว่าไม่ทุกเพราะไม่มีอาหารลงไปกินใช่ไหมแต่ท่านไม่ทุกเพราะว่าท่านไม่ต้องมาห่วงท่านไม่มากังวลว่าเออไม่ได้กินแค่นี้มันจะตายหรือว่ามันจะอะไรเป็นโรคกรเพาะหรือเปล่าอ่าถ้าไม่ห่วงถ้าไม่กังวลเอ็กิเลตตัวพวกนี้ต่างหาก ท่านก็เลยไม่ทุกข์แต่ถามว่าหิวไหมจริงๆก็หิวสิทำไมยังไม่หิวละ่ะ็ว่ามันไม่มีอาหารตกไปถึงท้องมันทำไมยังไม่หิวหิวแต่ท่านไม่ทุกข์ต่างหาะวันทุกอริยสัตว์ตัวนี้คือเราต้องรู้ตัวนี้ให้ชัดว่าถ้าหิวเพราะกิเลสฟังดูให้ดีหิวเหมือนกันไม่ใช่ต่างกันถ้าให้พุทธเจ้าอดฉันอาหารหลายวันหลายๆวั น, ว น, วนในที่สุดก็ต้องหิวอะ ที่ท่านยังบอกเลยว่าโอ้โหทุกทรมานมากตอนที่ท่านบำเพ็ญทุกขละกิริยาใช่ไหมที่บอกว่าโอ้โหไม่ได้กินอะไรเลยหรือกินข้าวจนเหลือเท่ า, มาเมล็ดเมล็ดถั่วเขียวอะไรเงี้ยวันหนึ่งะนะกินนิดเดียวเม็ดเดียวแค่นั้นท่านยังบอกว่าโอ้โโหลมเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งลงนะเสียดแน่นท้องไม่มีเรียวไม่มีแรงเลยเรียก ว, ว่าเดินจะลม้มอะไรเงี้ย เพราะนั้นมีเหลือท่านจะไม่ทุกข์ทุกทางกายอย่างนี้ท่านก็ทุกข์เหมือนกันนั่นแหละโอ้ท่านยังบอกว่าโอ้โหทรมานมากแต่เห็นไหมละ่ะทุกอริยสัตว์ในที่นี้หมายถึงว่าท่านไม่ห่วงท่านไม่กังวลซึ่งความห่วงความกระวนความกลัวตายอะไรต่างๆอันนั้นแหละที่เป็นกิเลสแล้วท่านไม่กลัวตัวพวกนี้ต่างหากท่านไม่ห่วงท่านไม่กังวลพวกนี้เพราะนั้นท่านไม่ทุกข์อันนี้ แต่สรีระทุกร่างกายทุกอยู่ได้อ่เพราะฉนั้นอย่างที่ล็กกี้นี่ถามเนี่ยถ้าพวกเราตอบให้ชัดเราถึงอาตมาถึงบอกว่าถ้าจะตอบให้ชัดเราต้องตอบว่าทุกอริยสัจนั่นแหละใช่ไหมเพราะเนี่ยข้อที่หนึ่งเราจะต้องรู้ตัวนี้พอรู้ตัวนี้เสร็จค่อยหาสมุทยัยค่อยหาเหตุของมันอา่าเรามีวิธีดับไหมนิโรธอ่มีวิธีไม้มที่ ทุกอย่างเงี้ยจะทําให้มันดับไปมีไหมดับไปได้ไหมทุกอย่างนี้ดับได้ไหมทุกเพราะความหิวเนี่ยดับได้ไหมแม้ไม่มีอะไรมากินสมมติเออจะดับความโอ้โหกังวลความห่วงความกลัวอะไรต่างๆได้ไหมจะดับไอกิเลตตัวนี้ได้ไหมถ้าดับได้อ้าวนะเรามีมรรคมีวิธีที่จะดับถ้าคิดอย่างนี้หรือว่าพูดอย่างนี้หรือว่าทําอย่างงี้ โอ้ดับได้ฮะทำให้เราไม่กลัวละถึงแม้ไม่มีอะไรกินก็ไม่กลัวตายไม่กลัวหิวอ่าถ้าคนนี้ทำได้อย่างนี้คนนี้ก็พ้นทุกจากกิเลสตัวนี้ได้และนี่แหละคือพลังของความเชื่อเชื่อมั่นนะศรัทธาตัวเนี้เพราะันพอใครมีศรัทธาอย่างเงี้ยมีความเชื่อมั่นยิ่งพอทำแล้วก็ได้ผลทำแล้วก็ได้ผลนะก็ยิ่ง มีพลังของศรัทธาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพวันคนนี้ก็ยิ่งจะมีความเพียรมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับยกตัวอย่างนะเหมือนพวกเราเนี่ยมาวัดหรือว่ามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมเนี่ยจะมาช่วยชวมรโลก็ตามช่วยลงครัวก็ตามช่วยที่ตึกขาวก็ตามมาช่วยเป็นครูก็ตามช่วยทางสัมมาสิกขาก็ตามนะหรือว่าเนี่ยช่วยตาม บริษัทในเครือขายอะไรของพวกเราก็แล้วแต่ดูนะถ้าเรามีศรัทธาเรามีความเชื่อมั่นอย่างนี้แล้วเรายิ่งทําไปเราก็เอ๊ะมันมีผลใช่รู้สึกว่ากิเลสเราเนี่ยมันลดน้อยลงนะเราแต่ก่อนที่เราห่วงเรื่องโอ้โหเรื่องกินนะแหมต้องกินอย่างนั้นนะต้องกินอย่างนี้นะเอเดี๋ยวนี้เราห่วงน้อยลงเนี่ยเรารู้สึกเราสบายขึ้น ที่หลับที่นอนแต่ก่อนโอ้โหเราต้องหาที่หลับที่นอนที่ดีกว่านี้ที่พักพาอาศัยที่อยู่เดี๋ยวนี้บางทีเอ้าแล้วมีกรดมีมุ้งมีอะไรเอา้าห้อยตรงไหนพอนอนได้นะมีเสื่อผือนหนึ่งมีอะไรเงี้ยปูหน่อยก็นอนได้แล้วเห็นไหมความทุกข์ความห่วงความกังวนต่างๆเราลดลงไปมากเลยเรารู้สึกเราสบายขึ้นต่างเงยอะอ่าเอาเรื่องกินดูสิ แม่แต่ก่อนโอ้โหต้องเลือกกินมากเลือกกินนี่หมายถึงว่ากินไม่เลือกอะ <c oughs> นะคือเลือกกินแต่ที่ชอบชอบไงกินแต่ตามใจเราอะ่ะแต่ก่อนเนี้ยเลือกเหมือนกันนะแต่มันเลือกแบบเอาแต่ที่ชอบชอบนะไม่รู้แหละจะดีไม่ดีจะอะไรยังไงอะ่ะกินแต่ของชอบชอบพอแล้วกันกินตามใจเราแต่เมื่อทุกวันนี้พอเราปฏิบัติไปได้ความเชื่อมั่นของเราว่าเออเราไม่ต้องกินตามใจปากไม่ต้องกินตามใจท้องอย่างนั้นเลย เดี๋ยวนี้เราอดได้เราฝืนใจได้เรางดได้เห็นมนเราว่าว่าเออเดี๋ยวนี้เราเก่งขึ้นเมื่อเรายิ่งทําได้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ยิ่งมีมีกําลังใจที่จะยิ่งทําอย่างนั้นให้นให้มันมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะเราเห็นได้ชัดเลยว่าเรายิ่งทําได้มันมันยิ่งเบิกบานนะมันยิ่งมีปิติมันยิ่งมีสุขมากขึ้นเรื่อยเรื่มากขึ้นเรื่อยเื่อยเพราะ ใ, ใครยิ่งทํา นะแล้วก็ยิ่งได้ผลนะเป็นมากผลอย่างเงี้ยออกมาคนนั้นก็ยิ่งเชื่อมั่นยิ่งศรัทธามากยิ่งขึ้นเมื่อยิ่งศรัทธามากยิ่งขึ้นก็ยิ่งทํายิ่งทําแล้วก็ได้ผลมาอีกยิ่งได้ผลก็ยิ่งโอ้โหเบากายเบาใจสบายยิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะอันเนี้ยตัวที่หนึ่งของความเพียรคือจะต้องมีศรัทธานะก็คือความเชื่อเชื่อมั่นตัวนี้เชื่อมั่นในสิ่งที่ อย่างน้อยๆแม้แต่เพียงแค่เราคิดเป็นทิฏฐิเนี่ยเป็นเป็นความคิดของเราบางคนนี่เคยนึกว่าอย่างนี้บอกเออเรายังไม่เคยทำอะไรมาเลยนะแต่พอเรามารู้อะไรดีๆหรือเราได้ฟังเทศฟังธรรมเรารู้สึกว่าโอ้อยากจะทําเลยอยากจะทําดีอย่างนั้นเลยทั้งที่ความจริงเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีคนนั้นเนี่ยนึกอยากจะมาทาหรอก จริงๆแล้วคนนั้นจะต้องมีมีเชื่อมาก่อนแล้วคือคือบางทีเพอเเคยทำมามาได้แล้วแต่ว่าพอมาชาตินี้เนี่ยบางครั้งนี่มันมันโดนอำนาจของกิเลสตั้งแต่เด็กมาบางทีมันกืนมันลบกวนทําให้ไอ้ความที่เราเคยทํามาได้เนี่ยเหมือนกับไออะไรนะโมเลกุลของแม่เหล็กอะที่มันจะมีอํานาจแม่เหล็กได้เพราะว่ามันต้องจับมาเรียงกันไอเหล็กธรรมดามันก็มี แต่ว่ามันกระจัดกระจายมันก็เลยไม่มีอํานาจของแม่เหล็กเพราะฉะนั้นพอคราวนี้พอเรามาได้รู้ได้เขา้าใจปับ๊บโอ้โหมันเรียงตัวเลย ท, ทังด้านที่จริงมันเรามีโมเลกุลอยู่แล้วแต่พอเราได้ฟังปับ๊บเราเข้าใจปับ๊บมันเหมือนกับมันมันได้เรียงตัวพอเรียงตัวปับ๊บมันมีพลังขึ้มนมนทันทีจริงๆเราเคยเป็นแท่งแม่เหล็กมาแล้วเราเคยเป็นมาแล้วด้วยซ้ําไปเพราะฉนั้นมันมีเชื่อมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นบางคนนึกว่า โอ้พอเราฟังป้าบเราเข้าใจป้าบเราทําเราทําเลยแล้วเราก็ทําได้นะได้ได้ตามบารมีคนนั้นนะได้มากได้น้อยแล้วแต่คนนั้นก็ทําเลยแล้วทําด้วยความเชื่อมั่นเดีย๋ยวก็จะทําไปได้เรื่อยๆเพราะอันนี้แหละอันนี้แหล ะ, นนหละคือตัวศรัทธาซึ่งศรัทธาจะมีได้ก็มาจากผลของการกระทําด้วยว่าเราต้องเคยกระทํามาด้วย ถ้าใหม่ๆเนี่ยถ้าเรายังไม่เคยทํามาเลยนะเรายังไม่เคยมีเชื่อมาเลยไม่เคยได้มาเลยนะคุณฟังใหม่ๆเนี่ยคุณจะไม่มีความเชื่อมั่นหรอกบอกได้เลยคุณจะไม่มีความเชื่อมั่นคุณจะยังไม่มีตัวศรัทธาจริงแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าเอลองดูแล้วกันลองดูแล้วกันไม่รู้ว่ามันดีหรือว่าไม่ดีแหละแต่ลองดูก่อนคุณจะไม่เชื่อมั่นหรอกเพราะฉะคนที่มีลักษณะอย่างเนี้ยยังไม่มีศรัทธาจริง พัเมื่อไปทําอะไรนะถ้าทําแล้วรู้สึกเอ้มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะวัน พ, พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะทําแล้วไม่สําเร็จพอบอกระเบิดววเชื่อมไม่มีแล้วยิ่งมาถือศีลมาปฏิบัติทำบอกแล้วต้องใช้พลังจิตมากนะในการฝืนสู้กับกิเลสเราอย่างเช่นเอาง่ายๆนะแค่คุณหัดเลิกกินจุกจิบปกติเราเรานึกจะกินอะไรแล้วก็เอามากินได้ง่ายใช่ไหมสมัยก่อนนั้น อแต่ตอนนี้ดูทีพอเราเริ่มเออจริงๆมันเริกกินจุบจิบได้มันดีนะอ่าคนนี้บิชักมีความรู้สึกอย่างนี้แล้วนะแต่สมมุติเขาไม่มีเชื้อมาเลยนะเขารู้สึกว่าเออมันดีเหมือนกันนะอะแค่รู้สึกว่าเออมันดีเหมือนกันเออเราน่าจะทําเหมือนกันนะแต่ถ้าคนนี้ยังไม่มีเชื้อของความศรัทธาที่เคยสะสมเป็นบารมีมาบ้างแล้วนะหรือไม่มีเลยคนนี้เกิดสัมมาทิฏฐิขึ้นมาก็จริงว่าเออมันน่าจะทํานะ เกิดแค่ความคิดขึ้นมาอันนี้เป็นของใหม่เอี่ยมเลยเป็นความคิดที่ดีเป็นกุศลขึ้นมาแต่ไม่มีเชื้อเลยเนี่ยความคิดเนี้มันยังเบามากว่าอาจามาถึงบอกว่าพอคนนี้ลองไปทํำนะพอคุณทํำก็ไปหน่อย โ, อโห่คุณต้องสู้นะคุณต้องเฟื่กิเลส น, นะคุณต้องบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นคนนี้จะต้องบังคับตัวเองมากเลยเพราะความเคยชินเนี่ยเดี๋ยวมันอยากหยิบไปดูดกินเดี๋ยวอยากหยิบไปนี่กินแล้วคุณจะฝืนอไปทำไมถ้าถ้าสมมติ บางทีนะเอ๊ะจะมาทําตัวเองให้ลําบากทำไมไม่มีความจําเป็นเลยจะต้องมาทําตัวเองให้ลําบากแล้วทั้งทั้งที่เราก็ว่ามันดีเนี่ยแต่คนเราเนี่ยมันจะมีกิเลสใช่ไหมกิเลสเนี่ยมันจะมาหลอกเรามันจะให้เราเนี่ยอยากสบายมากกว่าไม่อยากจะต้องมาฝืนมาตั้งตนบงความลำบากกิเลสมันไม่ไ ม, ไม่ชอบมันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเพราะมาถึงบอกว่ามันต้องมีฤทธิ์นะต้องมีแรงนะ วันถ้าใครไม่มีศรัทธาพอเนี่ยนะไม่มีเชื่อมาบ้างไม่ปฏิบัติมาบ้างเนี่ยโอ้โหืนหนักเลยฟืนมากในที่สุดเนี่ยมักจะแบบว่าไม่ค่อยประสบความสาเร็จหรอกพวกนี้เนี่ยจะหกลม้มหกลุกอยู่นานยิ่งถ้าไม่มีเจตโตไม่มีพลังของปัญญามากพอเนี่ยโอ้ช้าจะ ช, ช้ามากเลยแต่ใครที่มีเชื่ออยู่แล้วบางทีรู้สึกเออดีเนี่ย ลองทาโอ้โหลองทําแล้วก็ไปเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บปับเลยได้ไอนันได้ไอนี่แล้วยิ่งได้ก็ยิ่งโอ้โหมีปิติมีสุขเกิดขึ้นนะยิ่งมีพลังของศรัทธานี่โอ้โหมากเข้าไปเรื่อยๆมากเข้าไปเรื่อยยิ่งเชื่อมัน่นถ้าเชื่อมั่นถึงจุดที่เข้ากระแสนะถ้าใครศรัทธาถึงจุดที่เข้ากระแสศรัทธานั้นก็เที่ยงก็เที่ยงเลย จะไม่เปลี่ยนเป็นไปเป็นศรัทธาเป็นอื่นจะศรัทธาแบบสัมมาทิฏฐิเนี่ยไปเรื่อยละ่ะตรงไปเรื่อยละ่ะไม่มีเปลี่ยนไปเป็นอื่นถ้าเข้าสู่กระแสอยา่างน้อยๆได้สู่ฐานพระโสดาบันแล้วถึงไม่เปลี่ยนเป็นอื่นอีกแล้วสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปเรื่อยละ่ะมันตรงไปสู่นิพพานเรื่อยละ่ะมันจะไม่วกไปทิศอื่นไปทางผิดอื่นอีกแล้ว มันศรัทธาตัวนี้จึงเป็นตัวนําล่องที่จะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางได้นะแล้วก็เป็นตัวนําล่องที่ทําให้เกิดความเพียรต่อต่อสืบต่อต่อเนื่องตามไปนะอันนี้เป็นตัวที่หนึ่งส่วนตัวที่สองดูสิพระพุทธเจ้าท่าตรัสว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีอาพาธน้อย มีทุกน้อยประกอบด้วยเตโชธาตอันมีวิบากเสมอกันไม่เย็นนักไม่ร้อนนักเป็นอย่างกลางกลางควรแก่ความเพียร น, นะอันนี้ก็มาพูดถึงร่างกายละนะร่างกายเนี่ยปรากฏว่าไม่ค่อยมีโรคมากนะความเจ็บไข้ได้ป่วยนะทุกทรมานปัญหาอะไรต่างๆจริงๆอันนี้ก็เป็นวิบากกรรมอีกเหมือนกันน่ ใครไปสร้างเวรสร้างกรรมไว้ก็จะมาโรคมา ก, การะโรคภัยไข้เจ็บรแรนต่างก็จะมีมากเพราะฉนั้นมันเป็นอุปสรรคที่บางทีต่อให้จิตใจคนนั้นดีอยากจะถือศีลอยากจะปฏิบัติธรรมแต่มันโดนรบกวนได้เพราะเรายิ่งยังไม่เก่งเนี่ยคนที่ยังไม่เก่งเนี่ยพอร่างกายเจ็บป่วยมันจะมีผลที่จิตใจด้วยทําให้จิตคนนั้นเนี่ยอ่อนแอลงถ้าคนที่ยังไม่เก่งนะ แต่คนที่เก่งแล้วเนี่ยร่างกายเจ็บป่วยยังไงจิตใจไม่อ่อนแอไปด้วยจิตใจยังไงจะยังเข้มแข็งอยู่เพราะนั้นอันเนี้ยตอนนี้พวกเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าบางทีเราก็ยังไม่เก่งนะยังไม่แข็งขนาดนั้นเพราะนั้นเนี่ยไออะไรอะ่ะอวัยวะภายในมัง่งนะจะจากวิบากกรรมเก่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันตีรวน อวัยวะก็เสื่อมเสียมั่งบกพร่องมั่งนั้นก็ทำให้เราแบบว่ามีปัญหาดูนาหลายคนสังเกตตัวเองหมว่าไม่อยากจะเพ่งเพียรนะไม่อยากที่จะพยายามต่อไปละเพราะเรามีความรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์มากเลยมันทรมานมากเลยสังขารร่างกายนี้มันหมดกาลังใจมันรู้สึกว่าไม่สู้ละไม่อยากที่จะทำต่อไปละ ทั้งๆ ท, ที่ความเป็นจริงเนี่ยคนนั้นน่ะต้องรู้ตัวเองว่าคนเจ็บป่วยเราจะสู้กับยิเลสเนี่ยหรือว่าเราจะศึกษาธรรมะเพื่อที่จะให้พ้นทุกเนี่ยได้ขนาดไหนตามฐานะสภาพร่างกายเราด้วยแต่เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นความจริงที่คนนั้นจะทำมากเกินมันคงยากแหละคงไม่ได้ แต่ใครสมบูรณ์ดีใครแข็งแรงดีวิบากกรรมในอดีตทา ม, มาน้อยนะกรรมในชุดนี้ปรากฏว่าไม่ได้มีเรื่องโครคภัยไข้เจ็บอะไรมากนะักโอเป็นโอกาสดีสาหรับคนนี้ที่จะปฏิบัติธรรมให้กับตัวเองได้มากเพราะฉะนั้นคนเราหลายครั้งที่เราเนี่ยลดความเพียรลงมา ท, งทั้งที่ใจใจสู้นะแต่เราจำเป็นต้องลดความเพียรลงมาลดความพยายามลงมา เพราะสังขารร่างกายไม่เอื้อมด้วยไม่ต้องอื่นไกลอะ่ะขนาดต่อให้เป็นพระพุทธเ จ, จ้าแล้วอะ่ะผู้เจ้าเนี่ยแหละบางพระสูตรที่อ่านๆเจอเนี่ยพผู้เจ้าท่านยังบอกโอ้โหกลางวันก็กลางวันเถอะนะท่านสั่งพระอานนท์เลยเอาอานนท์เธอจงปูผ้าสี่ชั้นให้เราเราจะนอนกลางวันเนี่ยแหละท่านก็ น, นอนพักเลยสังขารร่างกาย